ฝ่ายกองทัพอังกฤษนั้นก็ยกขึ้นมาตามแม่น้ำอิรวดีจนถึงเมืองเมียงยานอันเป็นเมืองที่เจ้ากรมเรือหลวงแม่ทัพพมายกทัพหน้าไปรอรับอยู่ แผนยุทธศาสตร์ว่าจะโอบร้อมบทขยี้อังกฤษนะกองทัพเรือของอังกฤษมาถึงหน้าเมืองเมียงยันในตอนบ่ายและบนฝั่งแม่น้ําหน้าเมืองเมียงยันนะั้นกองทัพอังกฤษก็ได้เห็นภาพที่งดงามน่าดูที่สุดภาพหนึ่งซึ่งมีบรรยายไว้บ่อยครั้งในพระเจ้พงศวดานไทยและพระเจ้พงศวดานมอญพระเจ้พงศวดานพมา่า ภาพนั้นคือภาพกองทัพพม่าซึ่งตั้งอยู่ยังสง่าภาดภูมิเต็มตามตำรับพิชัยยสงครามภาพของสงครามในครั้งนี้ท่านผู้ฟังจะต้องนั่งวาดภาพจินตนาการเอาเองก็แล้วกันคือกองทัพพม่า ตั้งอยู่อย่างสง่างามเต็มตามตามระเบีบวิจัยสงครามอย่างไรนี่เราอาจจะนึกไปไม่ค่อยเห็นเท่าไรนักต้องมองภาพฝาผนังที่มีการยกทัพจัดขบวนกันนั้นเออบนตะระหน่งหน้าเมืองเมีองอยงยานนั้นเจ้ากรมเรือหลวงได้ยาดราทัพออกมาตั้งรอรับข้าสักอยู่ทหารอังกฤษมองไปเห็นฐานพมา่ายืนอยู่แน่นขนาด ถือหอกถือดาบปืนและเกาทันแต่งกายสีต่างๆตามหมวดหมู่ดูดาดสวัยไได้ทธงเทียวเขียวเหลืองขาวแดงทุกหมวดกองผู้ปลายทวนและเทิวยอดหอกนั้นสะบัดอยู่กลางสายลมประดุดดอกอ้อดอกแขมริมฝั่งแม่น้ำเสียงคลองกรองเสียงช้างมา ก็ดังอยู่สนั่นคลั่นครื้นมีฐานพมา่าออกมาเซิงเซิรงนี่เป็นการรำแบบพมา่าแหละออกมาเซิรงหน้าทัพเข้ากับจังหวะคล้องกรองเยาะเย้ ย, ย, ยทา้าทายข้าศึกอย่างองอาจกล้าหาญเรียกว่าออกมารำยัวศึกกันละแม่ทัพพมา่านั้นยืนช้างกันสัพพทนประกอบด้วยกระบวนอิสริยยศ มีคนเชิญทงชัยมยุระและทงฉานพร้อมด้วยเครื่องยศและดุริยดนตรีประโคมอยู่นายหมวดนายกองทั้งหลายทั้งปวงก็แต่งเต็มยศอันประกอบด้วยแพรพันหาักสีประดับกายด้วยสุวรรณอรงกรอยืนมากันร่มระยาสีต่างๆอยู่ตามหมวดกองของตนเป็นภาพทิศง า, ง, งามน่าชมยิ่งนัก และเป็นภาพที่ได้เห็นกันเป็นครั้งสุดท้ายในประวัติของชาติพมา่าทหารอังกฤษทั้งปวงตั้งแต่แม่ทัพนายกองตลอดจนไพร่พลเมื่อได้เห็นภาพอันตื่นตาประทับใจเช่นนั้นก็ได้แต่รอเรือไว้ตกตะลึงแลดูอยู่นานจะใช้ปืนใหญ่ระดมยิงก็ไม่ใครจะทำได้ แต่การสงครามมันก็ป้องเป็นการสงครามเมื่อกองทัพสมัยใหม่จําต้องรบกับกองทัพอัน ง, งดงามที่ญาตราออกมาจากหนังสือพงศาวดารฉะนั้นก็จําต้องทําแม่ทัพอังกฤษก็สั่งให้ปืนใหญ่ระดมยิงเข้าไปยังภาพอันวิกฤตนั้นและระดมยิงเมืองเมียนยามอีกด้วย พอใกล้พบ่ําแต่ตะวันยังไม่ตกดินกองทัพของพม่า ก, ก็ประราชนาการไปและอังกฤษก็เข้ายึดเอาเมืองเมียงยานไว้ได้นืงสือราชาธิราชตอนพระเจ้าฝรั่งมังค้องตีเมืองเสียงนั้น มีข้อความเรื่องฝรั่งเศสเอาปืนใหญ่เข้ามายิงเป็นครั้งแรกในพมา่ามีมีความดังต่อไปนี้ฝ่ายฝรั่งเศสนายกัมทายเห็นวุ่นวายขึ้นดังนั้นก็จังกล้าปืนหมายเอาเรือพระที่นั่งพระเจ้ามุนเทียนทองแล้วก็จุดปืนออกไป ด้วยเดชะบุญญาภิสมพา์ของพระเจ้ามุลเทียนทองลูกปืนไม่ได้ต้องพระองค์ต้องแตกคันสเสวตฉตรขาดปลิวไปพระเจ้ามุลเทียนทองทอดพระเนตรเห็นดังนั้นเป็นอัศจรรย์ยิ่งนักก็โทรมนัดน้อยพระไทยจนน้ำพระเนตรตกนายเรือพระที่นั่งเห็นดังนั้นจึงกราบทูลถามว่าพระองค์ทาสงครามมาทุกครั้ง ถึงจะเสียหายประการใดก็ย่อมทรงพระสวนอยู่ทุกครั้งครั้งนี้น้าพระเนตรตกด้วยเหตุใดพระเจ้ามเทีรทองจึงตรัสว่าเป็นกระสับมีการสนุกสนานเพราะเล่นสงครามดูงามเป็นขวัญตาแล้วได้เห็นทหารแก้วทหารฟ้อนราด้วยเพลงอาวุธต่างๆตามชั้นเชิงสู้กันในกลางสงคราม และบัตรนี้มามีอาวุธอันมหิมาสิ่งหนึง่งออกมาแต่ในเมืองต้องสเสวตฉัดเราปลิวไปชนิดถ้าต้องทหารผู้ใดเห็นจะทานมิไดอาวุธสิ่งนี้เกิดมีมาแล้วนานไปภายนาไหนเลยเราจะได้เห็นทหารอันมีฝีมือสื่อไปอีกเลา นี่เมื่อได้พบกับปืนใหญ่พระเจ้ามนเทียนทองก็ทรงทราบเด็กทันทีว่าต่อไปสงครามจะเป็นของโศกกปรกที่น่าเกลียดน่ากลัวมิได้เป็นเครื่องเล่นสนุกอันงดงามเหมือนเมื่อก่อนข้างพระเจ้าสีปอแห่งกรุงรัตนบุรีอังวะดูเหมือนจะไม่ได้ทรงทราบความจริงข้อนี้แต่ก็ช่างเถอะ ข้อสำคัญนั้นมีอยู่ว่าคนในเมืองไทยอีกหลายคนในปัจจุบันก็ดูเหมือนจะยังไม่ทราบความจริงข้อนี้เหมือนกันเอาย้อนกลับมาสู่เรื่องราวเรื่องของเรื่อง เป็นว่าเมื่ออังกฤษเข้าเมืองเมียงยานได้นั้นปรากฏว่าชาวเมืองพากันมาต้อนรับทหารอังกฤษด้วยความยินดีปรีดาแต่แรกทหารอังกฤษก็ไม่เข้าใจสงสัยว่าจะเป็นกุฎุมารอย่างใดอย่างหนึ่งของพมา่าแต่เมื่อสอบถามดูก็จึงได้รู้ว่าเมื่อกองทัพหน้าจากกรุงมันดาเลย์ยกมาตั้งรับกองทัพอังกฤษที่เมืองเมียงยานนั้นชาวบ้านชาวเมืองได้รับความตื่นร้อนแสนสาหัส ทหารในกองทัพกรุงมัณฑะเลยหยิบฉวยทรัพย์สมบัติข้าวปลาช้างมาโคกระบือตลอดจนลูกสาวและเมียชาวบ้านเอาตามใจด้วยความมีกำลังกว่าผู้ใดขัดขืนไม่ยินยอมก็ใช้อายาทัพลงโทษเขี่ยตีหรือข้าฟันเอานี่เมื่ออังกฤษมาตีกองทัพ กรุงมันเดเลต้องลาถอยไปชาวบ้านจึงดีใจนักก็เห็นอยู่ชัดๆว่ากองทัพอังกฤษมาช่วยตนพ้นทุกข์เมื่อกรีฑเข้าเมืองเมียงยานได้แล้วแม่ทัพอังกฤษก็ออกประกาศให้ชาวเมืองทราบไปทั่วกันเป็นความว่าอุปราชและผู้ว่าราชการใหญ่แห่งอินเดีย มีความประสงค์อันสุจริตแท้จริงที่จะมีให้มีการข้าฟันกันให้เหลือดตกยางออกแต่ปรารถนาที่จะชนทุกชั้นที่อยู่ในเมืองนี้ได้ทำมาหากินเป็นปกติสุขปราศจากความเกรงกลัวว่าจะถูกคมเห็นรังแกชนทั้งปวงไม่ต้องเกรงว่าจะต้องเสียสิ่งใดให้แก่กองทัพอังกฤษ ปรบับใดที่ชนเหล่านั้นไม่ขัดขวางความเคลื่อนไหวแห่งกองทัพทางอังกฤษจะเคารพในสิทธทิส่วนตัวของบุคคลทุกคนรวมทั้งศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งปวงของชาวพมา่าและรัฐบาลอินเดียจะได้พิจารณาความดีความชอบของข้าราชการและ ร, ระาษฎรพม่าที่ได้ช่วยเหลือทางราชการอังกฤษในการรักษาความสงบ นี่ประกาศนี้แต่แรกพม่าก็ฟังหูไวหูคือยังเชื่อไม่ได้แต่ภายในเวลาไม่นานนักก็ได้เห็นจริงเพราะอังกฤษปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ในประกาศนี้ทุกประกาศทหารอังกฤษรักษาระเบียบวินัยเคร่งครัดไม่คมเหงรังแกหรือรบรลูดูหมิ่นชาวมืองพมา่าเมื่อทหารนอังกฤษต้องการสิ่งใดจากรัศร เช่นสเสบียงอาหารจะเป็นช้างมาพาหนะวัวควายตลอดจนวัตถุอื่นๆทางอังกฤษก็ซื้อหาเอาโดยดีและก็ให้ราคาสูงด้วยมีได้บังคับก่าเกณฑ์เอาหรือไปรีบเอาฉกเฉวยเอาตามอนเภอใจแต่อย่างใดเลยที่สำคัญที่สุดก็คือทหารอังกฤษทั้งฝรั่งและแขกคืออินเดีย ก็มีได้ออกเที่ยวพลนสะดมหรือฉุดลูกสาวชาวบ้านเหมือนดั่งทหารในกรองทัพจากกรุงมัดเลเลยด้วยเหตุนี้ชาวบ้านชาวเมืองก็ยอมอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษโดยดุษณีที่หนีเข้าป่าไปนั้นต่างก็พากันกลับมาเข้ากับอังกฤษทั้งหมดภายในเวลาไม่นานเท่าใดนะัก เพียงผืนๆอาจจะคิดดูถูกชาวพม่าในสมัยนั้นไปได้ว่าช่างไม่มีเกียรติภูมิหรือรักชาติบ้านเมืองของตนเสียเลยยอมอ่อนน้อมต่อศัตรูโดยฉับพลันทันทีมิได้คิดขัดขืนแต่การดูถูกคนอื่นๆนั้นจะอาศัยพิจารณาข้อเท็จจริงแต่เพียงผิวเผินมิได้ ธรรมดาคนเราก็จะต้องรักบ้านรักเมืองของตนและมีความปรารถนาที่จะเป็นไทยแก่ตนเป็นหลักประจําใจอยู่ในเบื้องตน้นแต่ถ้าหากการปกครองมีแต่การกดขี่บังคับขาดความยุติธรรมเห็นได้อย่างถนัดชัดแจ้งและราษฎรถูกข่มเหงรังแกจากข้าราชการไม่ว่าจะเป็นทหารพลเรือนหรือตํารวจราฐฎรก็ไม่รู้ที่จะไปร้องเอาจากใคร ความกดดันก็เกิดขึ้นในใจซึ่งนานเข้าก็กลายเป็นความเกลียดชังระบอบการปกครองนั้นยังขมขื่นฝังเข้ากระดูกดำขนาดใครมาเป็นข้าศึกศัตรู ก, กับระบอบนั้นก็ย่อมจะเข้าข้างเขาด้วยไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครชาติใดาภาษาใดาหรือมีรัฐทีอุดมการณ์อย่างไรกันละ่ะนี่จะไปตำหนิติเตียนหรือดูถูกดูหมิ่นรัศฎร ที่มีจิตใจเช่นนี้ว่าไม่รักชาติหรือว่าเป็นผู้ขายชาตินั้นก็ไม่ได้เพราะถ้าความรักชาติสําหรับเขาแปลว่าเขาต้องยอมตนเป็นเบี้ยล่างให้คนชาติเดียวกันสักแต่ว่าคนชาติเดียวกันนั้นมีอำนาจเป็นขุนนางกระจัดการทหารแล้วเอาอานาจนั้นมาเหยียบย่ำกดขี่กดคอเขาได้ตลอดไปโดยเขาไม่มีทางเงินหน้าอาปากได้แล้ว ความรักชาติเช่นนั้นมันก็ไม่น่าที่เขาจะรักษาเอาไว้หรอกเรื่องนี้ก็มีคติอีกแหลกแตก่เห็นจะไม่ต้องมองหาคตินั้นให้ไกลตัวเท่าใดนักรอกเอาเรามาเดินความกันต่อไป เสียงปืนใหญ่ที่อังกฤษยิงเมืองเมียงยานนั้นดังมาถึงกรุงมันดเลความจริงเรื่องอังกฤษกำลังชนะสงครามและกำลังลุกเข้ามายังกรุงมันดาเลนั้นไม่สามารถปิดบังหรือเบี่ยงบายไว้ได้ต่อไปแล้วพระเจ้าสีปอก็ต้องทรงยอมรับความจริงข้อนี้และเมื่อทรงยอมรับแล้วก็ทรงพระวิโตกหวาดเกรงยิ่งนัก แม้พระนางสุปยรัตเมื่อทรงทราบความจริงแล้วก็ดูเหมือนจะทรงคลายความไวยศและอำนาจวาสนาลงกว่าแต่ก่อนสิ่งที่พระเจ้าสีปอและพระนางสุปยรัตทรงสังเกตเห็นในขณะนั้นก็คือบรรดาอํามาจ ร, ราชบริพานทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในนั้นกําลังกระหนกตื่นตกใจทั่วกันแทบว่าจะหาผู้ใดที่ยังครองสติไว้กับตัวมิดได้ ทุกคนต่างก็หวังพึ่งพระบารมีพระเจ้าสีปอให้ปกป้องพระชนะจักรและคุ้มครองพวกตนให้รอดพ้นจากภัยอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาแต่พระเจ้าสีปอก็มิสามารถที่จะทำอย่างไรได้นอกจากรับสั่งให้หาตัวกินวุลมินกี้ผู้ซึ่งเคยเคยถูกประนาม ทั่วไปว่าเป็นคนขี้ขลาดตาขาวตอนนี้จะมีรับฟังเรียกตัวเข้ามาปรึกษาราชการความจริงเรื่องนี้ก็แปลกอยู่ที่กินวุลมินกี้นั้นเมื่อถอยยศหมดวาสนาแล้วก็กลับไปอยู่บ้านตนได้เป็นปกติไม่ต้องถูกจําคุกหรือถูกประหารชีวิตเพราะเป็นธรรมเนียนพมพม่าในสมัยนั้น ที่เสนาบดีผู้ไม่ต้องพระราชยาสายัยหรือถูกถอดจากอำนาจเนี่ยก็จะต้องได้รับพระราชอาญาถูกจำคุกหรือถูกประหารชีวิตเสมอไปซึ่งจะออกมาอยู่กับบ้านเฉยๆได้นั้นนะไม่เคยมีประเพณีเช่นนี้ฝังอยู่ในราชการเมืองพมา่าจนครั้งหนึ่งเมื่อพระเจ้ามินดุงทรงทราบว่าในแกลนสโตน นายกรัฐมนตรีอังกฤษลาออกจากตำแหน่งก็มีพระเจดมรดกขึ้นว่าน่าสงสารกาลาซองคือแกลนสโตนน่าสงสารกาลาซองซะ จ, จริงป่านชะนี้คงจะต้อง ท, งทนทุกขเวทนาอยู่ในคุกแล้วมีความสุขที่ฝังอยู่เช่นนี้เรื่องเมืองอังกฤษเขาลาออกจากตำแหน่งเฉย ทางพม่าก็วิตกไปเลยเพราะประเพณีของตนเป็นอยู่อย่างนั้นนี่ที่ว่าแปลกเรื่องกินวุลมินกี้ไม่ต้องโทษอาญาแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการที่พระเจ้าสีป่อเนี่ยทรงปล่อยให้กินวุลมินกี้ยังมีอิสระเสรีอยู่ได้นั้นอาจจะเป็นเพราะพระเจ้าสีป่อเองก็ไม่แน่พระเจ้ารุตัยนะักว่าสงครามครั้งนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไป แต่เมื่อมีเสียงข้างมากกราบบังคมทูลให้ทำสงครามและกราบบังคมทูลว่าจะต้องมีชัยชนะสันเสริญเยินยอบรรมีแก่กล้านักก็โปรดให้เป็นไปตามนั้นแต่งไรก็ตามมาถึงตอนนี้พระเจ้าศรีป่อคงจะดีพระไทยที่ยังมีตัวกินวุลมินกี้เหลือไว้สำหรับให้ทรงปรึกษาราชการได้ เมื่อกินวุลมินกี้เข้ามาเฝ้าตามรับสั่งพระเจ้าสีปอก็ตรัสใช้กินวุลมินกี้นี่แหละไปหาทางเจรจากับอังกฤษให้ถอยท้าบกลับไปเสียเมื่อกินวุลมินกี้ได้กราว บ, บังคมทูลมาแต่แรกว่าไม่มีทางที่จะสู้รบกับอังกฤษควรหาทางเจรจาบัตรนิการก็เป็นไปสมจริงนางที่กินวุลมินกี้ได้กราว บ, บังคมทูลไว้แล้ว ก็ขอให้กินวุนมิงกี้เนี่ยเป็นผู้ไปเจราจากับอังกฤษเถอะแม่พระนางพระนางสุพยรัตน์ซึ่งเคยทรงบริพาตกินวุนมิงกี้ไว้เป็นนักหนาถึงกับให้เอาพ่านนุ่งผู้หญิงมานุ่งก็กลับโอนอ่อนงอนงอ้อรัดวิงวอนให้กินวุลมิงกี้ไปหาทางกู้พระนครไว้จงได้ หรือเรียกว่าไปไปกู้หน้าไว้จงได้ทีเถอะจะต้องมีทางใดทางหนึ่งที่จะทำให้ฝรั่งเลิกทับกลับไปหรือมิฉะนั้นก็ต้องเจรจาหย่าทับใ้ญยฝรั่งยกล่วงล้ำเข้ามาในพระนครได้เป็นมันขาดการทั้งปวงที่กินวุ่นหมินกี้ได้กราบบังคมทูลทักทายไว้ได้มาเป็นจริงขึ้นทั้งหมด ทั้งที่เมื่อกราบบังคมทูลไว้นั้นก็ไม่ได้ทรงเชื่อถือเลยทำให้กินวุ่นมิงกี้ผู้สึ่งเป็นอัคคมหาเสนาบดีต้องถูกเหยียบย่าเยยหยันหนักหนานะขนาดระเมงระครตลกทั้งหลายเอาไปกระทำเล่นหัวเป็นของขำไปหมดความรู้สึกของกินวุ่นมิงกี้ในขณะนั้นจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็ยากที่จะเดาได้ กินวุ่นมินกี้อาจจะรู้สึกพอใจหรือเรียกว่าสะใจก็ได้เมื่อสิ่งที่ตนพูดไว้แล้วบอกไว้แล้วเตือนไว้แล้วแต่ไม่มีใครเชื่อเลยมันกลับเป็นจริงขึ้นมาอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายความล่มจมของบ้านเมืองกินวุลมินกี้อาจจะเศร้าใจจนไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นเลยก็ได้ อย่างไรก็ตามเถอะกินวุลมินกี้ก็ได้แกราบบังคมทูลไปว่าเมื่อการสงครามเข้ามาถึงขั้นนี้เสียแล้วหนทางเดียวที่กรุงอังวะพอเจ้าตัวรอดได้ก็คือให้ทรงยอมรับข้อเสนอและเงื่อนไขต่างๆที่อังกฤษส่งมาแต่แรกนั้นเสียโดยเร็วแต่กินุลมินกี้ก็กราบบังคมทูลด้วยว่า ถึงแม้ว่าจะทรงยอมรับแล้วเนี่ยก็ไม่แน่นักว่าแม่ทัพอังกฤษจะยอมยกทัพกลับไปจะไม่ยกขึ้นมาถึงกรุมันเดเลเนี่ยก็ไม่แน่นักเพราะเจ้าสีปอได้ทรงฟังดังนั้นก็ตะลึงนิ่งอยู่พอทออพระเนรบรรดา ข้าเฝ้าในท้องพระโรงทั้งปวงต่างคนต่างก็พากันหมอบก้มมานิ่งอยู่ทั่วกันมแม้แต่แตงดา ม, มินกีพ้พระเจ้าสีป่อ เมื่อได้ฟังกินวุลมินกี้กราบบังคมทูลดังนั้นแล้วเนี่ยก็ทรงตรึงนิ่งอยู่ทอดพระเนตรบรรดาขา้าความในท้องพระโรงบัดนี้ต่างก็พากันหมอบก้มมานิ่งอยุ่ทั่วกันแม้แต่ท่านแตงดามินกี้ผู้เคยรับอาสาว่าจะทำราชการสงครามปราบปรามฝรั่งให้สิน้นก็หมอบก้มมานิ่งมิได้กราบทูลประการใด พระเจ้าสีปอก็ตรัสถามกินวุนมินกี้ว่าถ้าจะให้ยอมแก่ฝรั่งทั้งหมดเราก็จะได้รับความอับประยลด์นะจะมีทางอื่นที่จะอัประยลด์น้อยลงบ้างหรือหาไม่กินวุ่นมินกี้ก็กราบบังคมทูลว่าการที่จะออกไปเจราจาครั้งนี้มิเธ่ออกไปเจราจากับต่างประเทศที่มีข้อพิาพาทขัดแย้งกับกรุงอังวะเซแล้ว แต่เป็นการที่จะต้องออกไปเจรจากับราชสตรูผู้กำลังมีชัยทางฝ่ายอังกฤษคงจะไม่ยอมให้กรุงอังวะต่อรองหรือว่าลดหย่อนให้อย่างไรทั้งสิ้นจะพรอนหนักให้เป็นเบาวได้บ้างก็ต้องยอมทุกอย่างตามที่อังกฤษเรียกร้องมาแต่แรกเท่านั้น พระเจ้าสีปอดได้ทรงฟังก็หานมาบพระเนตรกับพระนางสุพยรัตน์และก็ตรัสสั่งกินุลมินกี้ให้รีบออกไปเจราจากับอังกฤษอย่าให้อังกฤษเข้ากรุงมันดเลได้และพระมาะสเวตชาติกรุงรัตนบุรอังวะนั้นจะต้องคงอยู่ต่อไปพร้อมกันนั้นก็ได้พระเจ้าทานอาญาสิทธิแก่กินุลมินกี้ให้มีอำนาจเต็ม ในอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปาตามพระราชกระแสะรับสั่งหากกินวุ่มินกี้เห็นควรจะยอมอังกฤษในเรื่องใดก็ให้ยอมเห็นควรจะทําสัญญาในเรื่องใดก็ให้ทําและพระเจ้าสีปอกกับพระนางสุภยรัตก็เสด็จขึ้นฝ่ายกินวุ่มินกี้รับราชองค์การแล้วก็ออกมายังศารารูปขุณรีดเขียนหนังสือขึ้นฉบับหนึ่ง แล้วให้คุณนางสองคนถือหนังสือนั้นลงเรือไปส่งต่อแม่ท่าอังกฤษหนังสือนั้นมีใจความยืดยาพูดวดวนไปมาแบบคนที่ทําผิดแล้วพยายามแก้ตัวทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าแก้ตัวไม่ขึ้นแล้วเริ่มหนังสือนั้นก็เรืการตัดพ่อต่อว่าอังกฤษไม่ควรจะทํารุนแรงถึงขนาดส่งทหารเข้ามาตีบ้านตีเมืองทางฝ่ายพม่าน้อยใจนะัก ความจริงนั้นพม่า ก, ก็มีใจเป็นมิตรกับอังกฤษตั้งใจที่จะรักษาประโยชน์ของอังกฤษทั้งในปัจจุบันและอนาคตไม่ได้คิดเป็นอื่นเลยข้อความแบบนี้เนี่ยกินเนื้อที่เข้าไปหลายหน้ากระดาษละแล้วก็จึงบอกว่าพระเจ้ากรุงอังว่าจะทรงยอมปฏิบัติตามคำขาดของอังกฤษที่ยื่นมานั้นทุกข้ออังกฤษควรจะรู้ดีว่าข้อเสนอเงื่อนไขต่างๆที่สงให้าพม่าปฏิบัติตามนั้น เป็นรัชการลึกซึ้งใหญ่หลวงนักฝ่ายพมา่าต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วจึงจะตกปากรับคำได้การพิจารณาปรึกษาหรือกันนั้นก็ต้องกินเวลานา น, านเป็นธรรมดาอังกฤษไม่ควรจะใจเร็วด่วนได้เสียกำลังรีพลไปปลุกเปลา่าบัด น, นี้พระเจกรุงอวะมีพระเจาประสงค์แต่อย่างเดียวที่ใช่สงครามสิ้นสุดลง ยังทรงพร้อมที่จะทําสัญญากับอังกฤษตามแต่อังกฤษจะเห็นสมควรนี่หนังสือเป็นความอย่างนี้โดยย่อแต่แท้จริงนั้นยาวเหยียดหลายหน้ากระดาษเมื่อความวกวนไปมาดังกล่าวแล้วละ่ะเรือคุ้นนางที่ถือสารนั้นมาถึงกองทัพเรืออังกฤษใต้กรุงอังวะเพียงเล็กน้อยขณะนั้นกองทัพอังกฤษ อยู่ห่างจากกรุงบันเดเละประมาณห้สกิโลเมตรเท่านั้นทหารอังกฤษก็คุมเรือขุนนางเข้าไปเทียบข้างเรือกลอนไฟของแม่ทัพและขุนนางพม่า ก, ก็ขึ้นไปบนเรือรบอังกฤษเพื่อยื่นสารต่อแม่ทัพน่าสังเกตว่าในตอนนี้ขุนนางพม่าถอดรองเท้าก่อนแล้วจึงขึ้นไปบนเรือฝรั่ง อาการกิริยานั้นก็หนอบน้อมต่อฝรั่งเป็นพิเศษไม่ย่าโซโอหังอย่างที่เคยทํามาแต่ก่อนคนที่จะต้องยิ้มเยะะมาะพม่าอยู่ในใจก็เห็นจะได้แก่พันโทสเลเดนเพราะพันโทสเลเดนผู้นี้เคยประจำอยู่ในกรุมันดาเลและเคยถูกขุณนามพมา่าดูถูกเหยียดหยามมาแล้วมากแม่ทัพอังกฤษ ให้ลามแปลสาร น, นั้นให้ฟังแล้วก็ปฏิเสธไม่ยอมตกลงอะไรด้วยทั้งสิ้นสั่งแก่ขุนนางพม่าว่าถ้าพระเจ้ากรุงอังวะยอมแพ้และมอบพระองค์เองและกองทัพพมา่าคือมอบทั้งพระองค์และก็มอบทั้งกองทัพให้แก่อังกฤษและถ้าปรากรฝรัง่งทั้งปวงที่อาศัยกรุงมดาดเลนั้น อยู่ดีไม่เป็นอันตรายแล้วทางอังกฤษจึงจะไว้ชีวิตพระเจ้ากรุงอังวะกองทัพอังกฤษจะต้องเข้าครองกรุงมันดาเลให้ได้แม้ในขณะที่แม้ทัพอังกฤษเจรจา ก, กับพุนนานพม่าอยู่นั้นเรือรบของอังกฤษก็ใช้ฟิจัคเรนไกลกรุงมันดาเลเข้าไปเรื่อยๆมิได้หยุดทัพอยู่กับพี่ สังให้เคลื่อนกระบวนทัพเข้าไปอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาแม่ทัพอังกฤษสั่งว่าทานพม่าจะต้องตอบมาก่อนสี่นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นมิเช่นั้นกองทัพอังกฤษจะยกต่อไปในเวลารุ่งอรุณตามที่ได้กำหนดไว้แล้วค่ำวันนั้นกองทัพอังกฤษก็สั่งให้อ่าจอดทัพจอดเรืออยู่กลางแม่น้ํา ใต้กรุงอังวะลงไปเล็กน้อยพระกุณนางพม่า ก, ก็รีบขึ้นบกไปส่งโทรเลขถึงกรุงมันดเลแจ้งข้อความตามที่แม่ทัพอังกฤษฟังมานั้นทุกประการนอกจากนั้นยังแจ้งไปด้วยว่าถ้าหากทางกรุงไม่รีบตอบมาแม่ทัพอังกฤษก็จะยกเข้าตีกรุงอังวะในวันรุ่งขึ้นที่กรุงอังวะนั้นมีฐานรักษา มีฐานพม่ารักษาเมืองอยู่ประมาณ8 0ดพันคนเช้า ว, วันรุ่งขึ้นทางกองทัพอังกฤษก็ยังไม่ได้รับคำตอบจากพมา่าแม่ทัพอังกฤษจึงสั่งให้ฐานเตรียมตัวเข้าตีกรุงอังวะเรือรบประแพร์ขนานของอังกฤษกำลังแร่นเข้าสู่หน้าเมืองกรุงอังวะรักเพื่อจะระดมยิง ก็พอดีมีเรือพมา่าพายมาถึงกองทัรนนพรําขุนนางพม่าที่มาในเรือนั้นเชิญพระเจทาโทรเรกจากพระเจ้าศรีปอยอมแพ์ต่ออังกฤษทุกประการขุนนางผู้รักษากรุงอังวะนั้นชื่อพ่อหมูพ่อหมูกินอัตตวินบุญ ผู้รักษากรุงอังวะนั้นชื่อพ่อหมูพ่อหมูกินอัตวินบุญดูตามชื่อแรกสงสัยว่าจะเป็นไทยใหญ่พอ่อหมูท่านผู้นี้ไม่ยอมยกกรุงอังวะให้แก่ฝรัง่งจนกว่าจะได้รับพระบรมราชองค์การโดยตรงผู้รักษากรุงอังวะผู้นี้ ยังคงรักษากรุงอังวะมั่นอยู่ในระหว่างนั้นขุนนางพม่าที่มาติดต่อกับกองทอังกฤษจึงต้องส่งโทรเลขไปยังกรุงอังวะอีกหลายฉบับในที่สุดก็มีพระบรมราชองค์การมาถึงผู้รักษากรุงอังวะคือพ่อหมู่กินอัตวินบุญให้ยกเมืองอังวะให้แก่อังกฤษแต่ก่อนเที่อังกฤษจะเข้าเมืองได้นั้นทหาพรพม่าในเมือง ก็พากันถืออาวุธหลบหนียอกจากเมืองไปเป็นโจรอยู่ในป่าเป็นจนํานวนมาก อ, อ, อังกฤษเข้ากรุงอังวะได้แล้วก็ทําลายปืนใหญ่พม่าที่มีอยู่ในกรุงอังวะและที่ในเมือสงสแควรซึ่งตั้งอยู่บนฟากแม่น้ําตรงข้ามกับกรุงอังวะซะจนหมดอังกฤษแบ่งทหารให้ยึดครองกรุงอังวะอยู่กองหนึ่ง ที่เหลือนั้นก็เตรียมพร้อมที่จะยกขึ้นไปกรุงมันเดเลต่อไปสงครามระหว่างอังกฤษกับพมา่านั้นสิ้นสุดลงแล้วและหนทางที่จะไปยังกรุงมันเดเลนั้นก็ไม่ไกลเท่าใดนะักและอังกฤษก็จะไปถึงกรุงมันเดเลได้โดยไม่ต้องรบพุ่ง สงครามครั้งนั้นเกือบจะเรียกได้ว่าไม่มีการรบพุ่งแต่ทั้งนี้เป็นเรื่องภายนอกส่วนสงครามภายในพระราชลิขยของพระเจ้าสรีปอและพระนางสุพระยรัตน์นั้นคงจะมีการรบพุ่งอย่างใหญ่หลวงการที่จะต้องทรงยอมรับความจริงว่ากรุงรัตนบุรีอังวะนั้น ไรอำนาจสินวัสนาแล้วก็ดีการที่พระองค์ผู้ส่งเป็นพระมหากษัตริย์ในพระเจวงอลอลงพระยาซึ่งยิ่งใหญ่ในยศวัสนาบรมีและพระเดชานาที่สุดมิได้ต้องออกพระโอษฐ์ยอมแพ้แก่ฝรัง่งนอกศาสนาก็ดีจะต้องเป็นคมอาวุธที่เสียบแทงพระเจริญไทยให้เจ็บ วรวดร่าวทรมานเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งไปเวรกรรมทั้งปวงที่ได้ทรงกระทำไว้ก็มาส่งผลให้ประจักษ์ชัดในตอนนี้โมหจริตคือความหลงของคนเรานั้นไม่ก่อให้เกิดทุกข์ ตราบใดที่คนยังรักษาความหลงของตนไว้ได้ด้วยทรัพย์ด้วยอำนาจด้วยคำยกยอตลอดจนด้วยประเพณีด้วยกฎหมายหรือแม้ด้วยรัฐธรรมนูญความทุกจริงจังจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความหลงนั้นถูกทำลายไปด้วยความจริง พอกล่าวได้ว่าท่านผู้เขียนท่านได้ยกมาว่าเป็นสัจวาจาว้ชนนีเลยก็ความมาดำเนินกันต่อไปนับตั้งแต่วันที่ทรงได้ยินเสียงปืนใหญ่อังกฤษเป็นต้นมาพระเจ้าศีปอกก็ต้องทำสงครามใ่พระเจริญไทยดังที่กล่าวมาแล้วรั้ววังที่กรุงมันดะเลนนั้นเงียบเหงาเหมือนกับวังร้าง เสียงประโคมหรือเสียงขับร้องดุริยดนตรีนั้นเงียบลงหมดคมีแต่เสียงนกที่ร้องในเวลาค่ำคืนประทีปโคมไฟที่เคยสว่างสวัยจับยอดพระมหาประสาทนั้นก็ดับลงคงเหลือแต่แสงเทียนริบรีริบบีในพระหมหามนเทียนและตามตำหนักต่างๆพวกกระเมงละคร ตลกละครตลอดจนคนปีภาสนั้นหายหน้าไปจากวังทีละคนสองคนจนหมดเพราะคนพวกนี้รู้ดีว่าเมื่อยามบ้านเมือครับขันนั้นคนที่อยู่ตามตรอกตามซอกหรือในป่าลงพงไพรมีความปลอดภัยดีกว่าคนที่อยู่ในประสาทราชวังถึงจะมีข่าวพูดกันว่าอังกฤษ ที่จะมาเข้าเมืองนั้นาจะไม่ทํามันตรายแก่ผู้ใดก็จริงอยู่แต่ข่าวนั้นมันก็เป็นแต่เพียงข่าวความเป็นจริงจะเป็นอย่างไรใครจะไปรู้ได้ถ้าคิดด้วยใจของพมา่าที่เคยเที่ยวตีบ้านตีเมืองคนอื่นเข้ามาแล้วผู้ที่เข้าตีบ้านตีเมืองได้มัน เมื่อเข้าบ้านเข้าเมืองเขาได้ก็จะต้องเที่ยวรายข้าฟันผู้คนคมคืนผู้หญิงปล้นทรัพย์เผาบ้านวัดวาอารามเล่นตามชอบใจพม่าเคยทำอย่างนี้กับคนอื่นคนที่เคยทำอย่างไรกับผู้อื่นมาแล้วเนี่ยก็ย่อมจะต้องคิดไประ ว, วาผู้อื่นเขาก็ย่อมจะต้องทำกับตนเช่นนั้นผู้ที่หายหน้าไปจากวังนั้น ไม่ชั่วแต่พวกละครปิพาสเท่านั้นนะแม้แต่มหาดเล็กข้าหลวงที่ออกเวรกลับบ้านแล้วเนี่ยก็ไม่กลับมาอีกเลยขุนนางบางคนก็ไม่เข้ามาเฝ้าเวลาเสร็จออกขุนนางบอกป่วยเส้ยบ้างหรือหายหน้าไปเฉยเฉยเสบ้างพระมหาสเสวตฉัตรนั่นเป็นของสูงและมีน้ำหนักยิ่งนะัก เมื่อพระมหาเศวตฉัตรนั้นโอนเอียงทำาท่าว่าจะล้มลงคนที่อยู่ใกล้ก็มักจะวิ่งหนีเอาตัวรอดก่อนคนอื่นแต่ในที่นี้ก็ต้องจารึกไว้ว่าเป็นเกียรติยศแก่แตงดามินกี้และขุนนางที่ขึ้นต่อแตงดามินกี้ว่าในยามนั้นหาได้มีผู้ใดละทิ้งตำแหน่งหน้าที่ใหม่ เคยปฏิบัติราชการมาอย่างไรก็กระทาต่อไปอย่างนั้นถึงเวลาก็มานั่งที่ศาลาลูกขุนได้เวลาเข้าเฝ้าก็เข้าเฝ้าและยังคอยกวดขันดูแลเวรยามทหารที่เฝ้าล้อมระราชวังมิให้บกพร่องได้ราชประเพณีอย่างใดเคยมีก็รักษาไว้มิให้ขาดจนถึงนาทีสุดท้าย ้องกรองที่หอกลรองพัดโสหินอาหอกลรองพระโหสินประจําพระนครก็ยังคงตีทุ่มโมงไปจนกว่าจะถึงเวลา น, นั้นวันสุดท้าย กรุงรัตนบุรอังวะนั้นเริ่มต้นแต่ตอนกลางคืนวันสุดท้ายของกรุงรัตนบุรีอังวะเริ่มต้นแต่ตอนกลางคืนโทเรเลขจากคุณนางที่ไปพบกับแม่ทัพกฤษนั้นมาถึงเอาตอนค่ําแล้วพระเจ้าสีปอก็เสด็จออกท้อมพระรงในกลางดึกมีรับสั่งให้ตามคุณนางเข้ามาเฝ้าเมื่อคุณนางเข้ามาเฝ้าพร้อมกันแล้ว คือพร้อมกันเท่าจํานวนที่มีนะคือที่หนีไปแล้วก็ไปที่ลาไปแล้วก็ไปเมื่อคุณอามาพร้อมกันแล้วอารักก็อ่านโทรเลขที่แจ้งเรื่องคําตอบของแม่ทัพอังกฤษสั่งให้พระเจ้าสีปอดยอบแพ้มิฉะนั้นอังกฤษจะระดมยิงกรุงอังวะในวันรุ่งขึ้นและกรุงอังวะนั้นก็อยู่ใกล้พระนครขนาดเดินถึงกันได้อย่างสบาย แต่แรกกรุงอังวะเป็นเมืองหลวงเนี่ยแล้วก็มาสร้างเมืองใหม่ขึ้นคือมันดาเรซึ่งก็ไม่กลายกันเท่าใดนักหรากละพระเจ้าสีปอดตราสถามกินุลมินกี้ว่าควรจะทําอย่างไรดีจะต้องหาทางที่จะรักษาสุเวตชัดและราชบัลลังก์กรุงอังวะไว้ให้ได้ครั้งกินุลมินกี้ไม่ได้กราบองคมพูลตอบในทันทีแต่หมอบก้มม่านิ่งคิดอยู่ พระเจ้าสีปอ ก, ก็มีพระพักเผือดลงไปได้วยความกลัวฉะรอยจะทรงระลึกถึงเวรกรรมทั้งหลายที่เด็กทรงประกอบเข้าไว้กระทเข้าไว้ด้วยการสำเร็จโทษเจ้านายและฆ่าผู้คนอื่นๆไว้เป็นจำนวนมากนะอังกฤษอาจจะรื้อฟื้นเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาและก็ สำเร็จโทษพระงเสียก็ได้แต่ในที่สุดกินวุหมินกี้ก็กราบบังคมทูลว่าควรจะยอมแพ้เสียแต่โดยดีอังกฤษนั้นไม่ทําอันตรายต่อผู้ที่ยอมแพ้หากทรงยอมแพ้เสียแล้วพระเจ้าสีปอก็จะทรงรักษาพระชนชีพของพระองค์ไว้ได้เมื่อกินวุลมินกี้กราบบังคมทูลดังนี้ แตงดาหมินกี้ก็แสดงอาการว่าโกรธและทำท่าเหมือนจะพูดขัดแยง้งแต่แล้วก็นิ่งอยู่หาได้กล่าวถ้อยคำอย่างไรไม่เพราะแม้แต่แตงดาหมิงกี้ก็ย่อมจ ะ, ะรู้ว่าหนทางอื่นที่จะดีไปกว่าที่กินบุญมิงกี้กราบบังคมทูลนั้น น, นไม่มีอีกแล้วแต่พระเจ้าสีปอ ก็ยังไม่ทรงสามารถที่จะรับคำปรึกษาของกินวุลมินกี้ได้รัดให้กินวุลมินกี้ใคร้ควรให้ดีอีกทีหนึ่งก่อนเผื่อว่าจะมีหนทางอื่นบ้าง<ด><น>คราวนี้เอ่อ คือพระเจ้าสีปอ น, นิกรับให้กินวุลหมิงกี้ใคร่ครวนอีกคราวนี้กินวุนมิงกี้ก็ได้แต่หมอบก้มหน้านิ่งอยู่มิได้กราบบังคมทูลอย่างใดต่อไปและคุณนางทั้งพวงก็พากันหมอบก้มหน้านิ่งอยู่ทั่วกันท้องพระโรงนั้นก็มีแต่ความเงียบส ง, งัดอันกึกก้องไปได้ความคิดของคนแต่ละคน ที่หาทางเจ้าตัวรอดในยามนั้นเสียงคลองกรองที่หอกรองพาโหศินย่ำยามขึ้นเหมือนกับจะบอกว่าความหายนะกกำลังคืบคลานเข้ามาพระเจ้าสีปอขยับพระองค์บนพระจอาด เสียงพระผูสาที่ทรงกระทบเสียดสีกับพระยี่ผู้ด้วยพระสุรเสียงอันแผ่วเบาพระเจ้าสีปอมีพระเจกระแสะให้ส่งโทรเลขไปยอมแพ้ต่อแม่ท่ามังกรทางนี้ก็เป็นเป็นพระบรมราชองค์การนัดสุดท้ายของพระเจ้ากรุงอังวะ กินวุนมินกี้เป็นผู้รับสนองพระบรมราชองการนั้นพระเจ้าสีปอเสด็จขึ้นแล้วก็ไปประทับอยู่กับพระนางสุพยรัตในพระจมลเทียนแสงไฟที่ทอมพระโรงก็มืดลงอีกครั้งหนึ่งคงเหลือแต่แสงไฟเรืองๆจากพระบัญชรของพระจมลเทียน ซึ่งมีอยู่ตลอดไปจนรุง่งแสดงว่าพระเจ้าสีปอคงจะมิได้เสด็จเข้าที่พระบัรทมแต่ความจริงเมื่อเสด็จขึ้นนั้นก็คงเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะสว่างพระอาทิตย์ที่ขึ้นมาเมื่อตอนรุ่งนั้นได้ฉายแสงลงมาเป็นวันสุดท้ายของราชนาจักรพรมา่าและ พระราชวงศ์อัลลองพญาคนบางคนในวังได้ขึ้นไปบนหอคอยสูงตั้งแต่เช้ามืดเพื่อจะมองออกไปทางแม่น้ำอิรวดีและเมื่อมองออกไปก็ได้แลเห็นควันเรือไฟของกองทัพอังกฤษได้นถนัดตลอดวันนั้นทั้งวันเป็นวันที่ยาวนานที่สุด ข่าวเรื่องอังกฤษเข้ายึดกรุงอังวะก็ทยอยเข้ามาสู่กรุงมันดาเลและพระจาวังข่าวเรื่องอังกฤษปลดอาวุธทหารพรมา่าอังกฤษทําลายปืนใหญ่ที่กรุงอังวะและข่าวที่ว่าทหารอังกฤษนั้นมีระเบียบวินัยเป็นนันดีไม่ได้ข่มเหงรังแกผูดด้ใดให้เดือดร้อนตามร้านขายอาหารและร้านขายเหล้าที่ชานเมืองและ ในเมืองก็มีกลุ่มทหารที่หนีมาได้จากกรุงอังวะมานั่งกินเหล้ากินข้าวคุยโออวดว่าเก่งกาดเพียงใดหนีฝรั่งมาได้พร้อมด้วยทั้งปืนและอาวุธอื่นมิให้ฝรั่งเอาไปได้แต่ฐานพวกนี้กินข้าวกินเหล้าแล้วก็รีบรลบออกจากกรุงมันดาเลไปเพราะรู้ตัวอยู่นานไม่ได้อยู่นานไปก็จะไม่ปลอดภยัย เวลาก็พลบค่ำลงในคืนสุดท้ายนั้นถนนหนทางในกรุงมันดาเลปลอดผู้ปลอดคนแต่หัวค่ำแต่ตามบ้านเรื อ, รอนราษฎรนั้นก็ดูเหมือนจะไม่มีใครได้หับได้นอนแต่แต่จับกลุ่มซุบซิบปรึกษากันด้วยความเป็นทุกข์ว่าจะมีเหตุการณ์อย่างไรเกิดขึ้นในวันพรุ่งทหารฝรัง่ง ที่จะมาถึงนั้นจะโหดร้ายอย่างไรหรือไม่ในตอนนั้นกินวุลมินกี้ได้ออกประกาศห้ามม่ให้ผู้ใดขัดขืนต่อสู้ฐานฝรัง่งที่จะมาถึงอุมันดาเลแต่ถึงตอนนั้นก็ไม่ได้มีผู้ใดคิดจะขัดขืนต่อสู้ซะแล้วถึงจะมีประกาศนั้นหรือไม่มีประกาศนั้นมันก็เท่ากันนั่นแหละ เพราะไม่มีผู้ใดคิดจะขัดจะขืนแล้วตั้งแต่ชาามืดของวันที่ยี่สิบปดพฤศจิกายนปีสองพันสี่รอยี่สิบปดนะครับชาวมืดวันนั้นฝูงชนได้พากันไปยังริมฝั่งแม่น้ำาอระวดีเพื่อคอยดูกองทัพอังกษยกขึ้นจากเรือ ขึ้นตนก็มีแต่คนที่อยากรู้อยากเห็นไปนั่งอคอยกันอยู่เป็นกลุ่มๆตกสายเข้ากลุ่มคนนั้นก็ขยายตัวมากขึ้นเพราะมีคนออกจากกรุงมาคอยดูฐานฝรั่งมากยิ่งขึ้นแมค้ากระเดียดกระจัดหมากเมี่ยงออกเดินขาย ไปต่อมาก็มีแม่ค้าหาของกินออกมาขายจนในที่สุดถึงกับมีคนมาตั้งร้านแผงรอยขาย ข, ายของกินของชายเหมือนกับมีงานเด็กๆติดตามพ่อแม่มาวิ่งเล่นสนุกกันอยู่ตามหาดทรายชายน้ำดูๆไปแล้วก็ไม่มีร่องรอยที่แสดงถึงความพ่ายแพ้หรือความสิ้นสุดชาวพระนครมัณฑะเลย์นั้นเป็นแต่เพียงฝุ่นเมือง เรื่องการศึกการสงครามเป็นเรื่องของท้าพรยามาหากษัตรผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะไปตามกรรมเมื่อผู้แพ้ต้องจากไปผู้ติดชนะก็จะต้องเข้ามาเป็นนายตนต่อไปอีกอันจะดีหรือชั่วก็ต้องคอยดูหน้าตากันให้เห็นก่อนแต่ถึงอย่างไร ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะวิตกทุกร้อนกันเท่าใดนะกรืกองทัพฝรั่งและฐานฝรั่งนั้นก็ยินเขาเล่าหรือว่าเก่งกาธรรมัดธรรมแงงหน้าดูนักแปววงฐานฝรั่งก็เป็นของใหม่ที่ไม่เคยได้ยินมาแต่ก่อนถึงแดดจะร้อนก็ทนนั่งรอได้ ในระยะวันสองวันอันเป็นวาระสุดท้ายแห่งกรุงรัตนบุระอังวะนั้นพระนางสุพยรัตดูเหมือนจะยังทรงมีหวังคือมีหวังว่าเทพพยดาผู้รักษาพระมหาเวตฉัตรกรุงอังวะจะโดนบันดาลให้ข้าศึกต้องพ่ายแพ้หรือกลับอกกลับใจอย่างใดอย่างหนึง่ง เพื่อพระนครจะไม่ต้องเสียแกค่าศึกในระหว่างนั้นพระนางสุพยลักษณ์ก็ไม่ได้ทรงลดละมานณะลงเลยแม้แต่น้อยพระนางยังคงตรัสประนามอังกฤษด้วยถ้อยคำต่างๆและตรัสว่าหากกรุงอังวะมีนายทหารดีเพียงสักคนเดียวพวกฝรั่งนอกาศาสนาก็จะต้องพ่ายแพ้พินาศไป เหตุที่การเป็นมาถึงเพียงนี้ก็เพราะข้าพระเจ้าสีปอไม่ได้กระตันยู่สนองต่อเจ้าดีแต่หลอกลวงเอาหน้าหาความดีความชอบใส่ตนแม้แต่ในวันสุดท้ายนั้นเองในตอนเช้าพระนางสุพจรัสก็ยังทรงคิดว่าเดชะพระบารมีแห่งราชวงศ์อ ร, องร่งพญา จะช่วยรักษาพระเจ้าสีปอและพระองค์เองไว้มิให้ต้องเป็นอันตรายและเสื่อมจากพระราชอิสริยยศและเมื่อข้าหลวงเข้าไปทูลว่ามีผู้ไรเห็นเรือรบอังกฤษจากขอคอยสูงในวังพระนางสุปยรัตก็มิได้ทรงเชื่อคนที่ว่าเห็นนั้นจะต้องโกหกมดเท็ดเป็นแน่นอน แล้วพระนางก็เสด็จลงจากพระเจ้ามณฑีนตรงไปยังหอคอยนั้นมีข้าหลวงตามเสด็จไปสองสคนเมื่อไปถึงแล้วก็เสด็จขึ้นบนยอดหอคอยถ้าหากว่าความที่คนกราบทูล น, นั้นไม่เป็นความจริงจะได้ลงพรจะจ้อาญาแก่คนที่กราบทูลความเพศนั้นให้สาสมแก่ความผิด เรือรบคาดศึกจะเข้ามาใกล้พระนครถึงเพียงนั้นได้อย่างไรเมื่อพระนางสุพยรัตทอดพระเนตรแม่น้ำระวดีจากยอดหอคอยนั้นภาพภาพที่ปรากฏแก่พระเนตรของพระนางก็คือเรือรบและแพขนานของอังกฤษกำลังแร่นเข้าเทียบทาา นากรุงมันดเรความจริงก็ปรากฏขึ้นมาอย่างไม่มีที่สงสัยได้ต่อไปแล้วพระนางสุพยรักษ์หันพระพักตร์กลับและเสด็จลงจากหอคอยนั้นทันทีข้าหลวงตามเสด็จลงมาห่างๆเมื่อเสด็จลงมาถึงแผ่นดินแล้วความจริงที่เข้ามาทำลายโมหะ แห่งพระนางสุพยรัตก็ท่วมทนพระราชลุดไทยพระนางทรงร้องขึ้นอยู่เสียงอันดังแล้วก็ทิ้งทอบปร่งลงกับพื้นดินทรงกันแสงทุบพระอุระอยู่ณที่นั้นพร้อมกับทรงบริเวทนาการว่าพระองค์เองเป็นต้นเหตุที่นำความพินาศล่มจมมาสู่พระสวามีและกรุง รัตนบุระอังวะและเพียงคู่เดียวพระนางก็เด็ัสติลุกขึ้นยืนและจับพระเกศสายเรียบร้อยแล้วก็เสด็จไปยังนางพระยากลับเข้าไปยังราชมณฑ น, นครั้งนี้เป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวที่พระนางสุภยรัตน์ทรงแสดงโทมนัส ให้ปรากฏแก่สายตาผู้อื่นกองทัพอังกฤษมาถึงกรุงมันดาเลเมื่อสิบเอ็ดนาฬิกาตามที่นัด ก, กันไว้แล้วนั้นกินวุนมินกี้ในฐานะอัครมหาเสนาบดีระพูแทนพระองค์ของพระเจ้าสีปอ ก็จะต้องไปพบกับแม่ทัพอังกฤษที่หน้าท่าก่อนแล้วอังกฤษจึงจะรำเรียงพลขึ้นจากเรือและเดินทัพเข้ากรุงมันดะเลแต่กินวุนมินกี้มาช้าไม่ทันกำหนดนัดจะเข้าใจผิดหรือจะราชาดวยประการใดอย่างไรก็เหลือเดาหรือจดหมายที่นัดให้กินวุนมินกี้มาคอยรับมันจะส่งมาไม่ถึงหรือจะราชายางใดอย่างนึงก็ตาม อังกฤษจึงต้องคอยอยู่ที่เรือรบเป็นเวลานานมากแม้ท่าอังกฤษก็ได้แต่รออยู่ในเรือเพราะจะต้อง่อกำหนดกับกินวุลมินกี้ถึงวิธีการที่จะส่งทหารเข้าครองกรุงมันดาเลสซะก่อนแต่เมื่อรอนานเข้ากินวุลมินกี้ก็ยังไม่มาแม่ท่าอังกฤษก็สร้างให้ยกทหารขึ้นบก แล้วก็สั่งให้เคลื่อนพลเข้าสู่กรุงมันเดเลโดยไม่ต้องรออัครมหาเสนาบดีพม่าผู้แพ้รกฝูงชนชาวพมา่าที่มารอดูอยู่ตั้งแต่เช้ามืดก็ได้ดูทหารฝรั่งสมกับความอยากดูทหารฝรั่งและทหารแขกแต่งเครื่องแบบสีกากีเดินแถวอย่างมีระเบียบลงจากเรือ เมื่อเปรียบกับฐานพม่าแล้วสีสวยงามสู้กันไม่ได้เพราะฐานพมา่านุ่งผ้าสวมเสื้อและโพกผ้าตัดสีสันสวยงามกว่ามากทงประจำกองของหน่วยฐานต่างๆได้ถูกเชิญลงจากเรือพร้อมด้วยกองเกียรติยศทหารเข้าแถวยาวเหยียดบนหาดทรายริมแม่น้ำาอระวดี เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนายฐานก็สั่งให้เดินแถวเข้ากรุงอิราวดีโดยมีแตรวงนําทหารในกองทัพนั้นแบ่งออกเป็นสามกองพลน้อยแต่ละกองพลก็แยกกันเข้ากรุงมันเดเลเป็นสามทางทางนี้ก็เพื่อส่งทหารเดินเท้าเนี่ยเข้าล้อมกรุงมันเดเลและวางยามไว้ทุกประตูเมือง มีให้พระเจ้าสีปอหรือคนสำคัญในกรุมันเะเลเล็ดรอดหลบหนีไปได้พันโทสเลเดนพร้อมด้วยล่ามอีกคนหนึ่งและนายฐานเรือกฤษมียศเป็นเรือเอกได้ออกวุ่งหน้าไปก่อนมีฐานอังกฤษติดตามไปด้วยเล็กน้อยความประสงค์นั้นก็เพื่อจะตรงไปยังพระราชวางังมีให้ราชา พอพันโทเซเลเดนไปถึงประตูวังก็พบกับกินวุนมินกี้ผู้ซึ่งขี่ช้างออกมาพอดีในว่ากินวุนมินกี้ขี่ช้างเที่ยวตามหาตัวพันโทเซเลเดนอยู่เหมือนกันพอพบกันเข้ากินวุลมินกี้ก็ขอโทษขอโพยต่อพันโทเซเลเดนแล้วก็กล่าวว่าพระเจ้าสีปอโปรดให้พันโทเซเลเดนเข้าเฝ้าได้เดี๋ยวนี้ แต่ก็ขอร้องพันโทสเลเดนอย่าได้นำทหารเข้าไปในพระราชวังเลยพันโทสเลเดนก็ยอมตามเขียนบันทึกถึงแม่ทัพอังกฤษให้ทหารอธิยืนคอยอยู่หน้าประตูวังแม่ทัพมาถึงเมื่อใด้็ให้ยืนบันทึกให้เหมือนั้นครั้นแล้วพันโทสเลเดนก็ขเข้าไปในวังกับกินวุลหมิงกี้ พระเจ้าสีปอเสด็จออกประทับมัที่นั่งสิงหาในท้องพระโรงข้างหน้ามีขุนนางและมหาเล็กหมอบเฝ้าอยู่ประปรายแต่บางตากว่าแต่ก่อนมากพันโทสเลเดนเดินเข้าไปในท้องพระโรงโดยมิได้ถอดรองเท้าและเมื่อเข้าไปถึงหน้าพระที่นั่งแล้วถวายคำมับแบบฝรั่ง แล้วยืนเฝ้าอยู่กลางท้องพระโรงมิได้นัน่งลงเฝ้ายัางแต่ก่อนแต่ก่อนต้องถูกบังคับหลายประการถาหากพม่าคนใดในท้องพระโรงนั้นยังไม่เชื่อสนิทว่าวาระสุดท้ายราชนาจักรพม่ามาถึงแล้วก็เห็นจะต้องเชื่อกันในตอนนี้ในตอนที่เห็นอาการกริยาของพันโทสเลเดนนั่นเอง พระนางสุพยรัตเสด็จออกท้องพระโรงในคราวนั้นพร้อมด้วยพระนางอเลนันโดสินพยุมชินก็เสด็จออกพระทาัาบยุนะอีกที่หนึ่งพันโทสเลดินได้เห็นพระพักพระเจ้าสีป อ, อก็ทราบได้ว่าพระองค์ทรงตกพระทยัยกลัวเป็นอย่างยิ่ง ถึงเมื่อจะทรงพระโอสดอยู่ยังไม่ย้ายดีทำมาเจริญเรื่ขีกาศเก ก้าสก้าสี่แยกิสุขกระสับหลังโรงเรียนในรอยเจปรอเป็นสถานที่จำหน่ายหนังสือธรรมะทุกชนิดเพชรธรรมะมากมายแล่เทพหมาช า, า, าติเรีกติกรรมโดยพระครูสังกัรตลุมเรือปัญญาพโรส ม, มืินสมบูรณ์ดาวชาดกแหล่เทพหมาช า, าติรีสันดอนชาดกแล่ทาควัญหน้าโดยส ม, มืินสมบูรณ์ดาวชาดกแหละทําควันหน้ า, า, าดโดยน้ําทุ่งเพชรอุทยัยเพชรธรรมะจากครูบาอาจารย์ต่างๆโดยเฉพาะ เทธ็ธรรมภาษาจีนแต่จิ๋วบรรยายเป็นภาษาจีนแต่จิ๋วโดยนายแพทย์ตันหมอเซียงพร้อมด้วยเท็ธรรมาจากพระอาจารย์ต่างๆอีกมากมายเท็ธรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยพระเทราผู้ใหญ่ครบชุดณที่ร้านธรรมะเจริญเลขที่๙๗ถึงสียกจุกรสัดถนมประชาธิปไตยหังโรงเรียนในร้อยจอบอรอโทรศัพท์ติต่อสอบถามยที่ 2 8 2แ9ดสจดครับครับครับครับ